อยู่ที่เมืองอาชาวประเทศเยอรม น, นีตั้งแต่เป็นนักเรียนอนุบาล ฝ, นนฝันี้ฝันทําให้รู้คุณค่าของการปฏิบัติธรรมการนำทารักษาศีลกลัวบาป ก, กลัวกรรมหาประดีรับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์และหมู่คณะจากวัดรรมกายฉุดขึ้นมาป่านนี้ลูกของคงจะจมหายไปกับความมืดไม่มีโอกาสเห็นแม้แต่แสงหิ่งห้อยเจา้าค่ะ ครอบครัวคุณแม่และญาติๆของลูกมีอาชีพต้มเหล่าเถื่อนขายกันทั้งหมู่บ้านมีรายได้จากการต้มเหล่าเถื่อนขายเป็นหลักแขกไปใครมา น, นํากรถิ่นผับป่ามาถวายวัดที่หมู่บ้านนี้เขาก็จะมีการเลี้ยงเล่ากันจ้อนเป็นปกติแต่พอลูกเกิดหมู่บ้านแห่งนี้ก็เกิดมีพายุหนักมากน้ำท่วมหาเล่าเถื่อนจมเสียหายหมด ครอบครัของลูกก็เหมือนกัน oh. แม้แต่เงินขายเหล้าที่แม่เก็บรวบรวมห่อไว้บนหลังมุ้ง oh. สุนัขที่เลี้ยงไว้ก็ยังดึงลงมอากาศขาดหมด <Wow. S 1> ใช้ไม่ได้เลยห oh. ลังจากเกิดพายุหนักในครั้งนั้น oh. คุณแม่จึงเลิกต้มเหล้าแต่ก็ยังรับเหล้าเทือนจากญาติญาติมาขายแทน oh. คราวนี้ขาดทุนหนักยิ่งขึ้นไปอีกจึงทําให้คุณพ่อคุณแม่เลิกขายเหล้าเทือนหันมาค้ามา <laughs> นั้นมาฆ่าไม้เถื่อนแทนสุดยอดเลยต่อมามีโจรมาปล้นหมู่บ้านถึงสองครั้งครั้งที่สองคุณพ่อจึงพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดพอไปอยู่ร้อยเอ็ดคุณพ่อก็เลยไปชนไก่ทุกวันอาทิตย์จนกระทั่งคุณพ่อพาครอบครัวย้ายกลับไปอยู่ที่กําแพงเพชรอีกครั้งหนึ่งจึงเลิก ค, คุณพ่อเคยบวชตามประเพณีตอนอายุ ป, ประมาณยี่สิบปีหลังจากลาสิกขามาในวันพระ คุณพ่อก็ยังถือศี่ห้าครบทุกข้อส่วนวันอื่นๆจะถือเฉพาะข้อที่ห้าถือศิ้นหนึ่งแต่เป็นข้อที่ห้าคือไม่ดื่มสุราแต่ศี้ข้ออื่นอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างพอคิดว่าวันอื่นๆถือข้อห้าก็พอแล้วข้ออื่นย่อนยานไปบ้างก็คงไม่เป็นไรเพราะได้ทําดีในวันพระก็พอแล้วขณะนี้พ่ออายุหกสิบแปดปี เป็นมัคทายกวัดติ่กำแพงเพชรป่วยเป็นโรคลำไส้เป็นๆ ห, หายคุณแม่อายุหกปดปีเท่าคุณพ่อเป็นโรคลมออกหูบ่อยๆ oh. เพราะเป็นแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรตาข้างหนึ่งเป็นตอน้อเนื้อโตจนปิดตามองไม่เห็น oh. คุณหมอผ่าตัดแล้วก็ดีขึ้นบ้างแต่เห็นลางๆแล้วเมื่อเวลามานนี้ก็หกลม้มแขนซ้ายหักใช้งานไม่ได้ คุณยายเสียชีวิตเมื่อปี38อายุ92ปีด้วยโรคชร า, าเป็นคนใจดีมากใจบุญสุนทานไปวัดทุกวันพระและจะขอร้องให้แม่เลิกทำเหล้าเถื่อนขายลูกมีความผูกพันกับยายมากกว่าคนอื่นๆและมักจะฝันถึงคุณยายไปบ่อยมากเจ้าค่ะคุณแม่สามีเป็นชาวเยอรมันขณะนี้อายุ76ปี ดื่มเหล้าเบียร์วเป็นประจำเริ่มดื่มจากวันละหนึ่งขวดตั้งแต่อายุสี่สิบห้าปีเรื่อยมาขณะนี้เป็นโรคพากินสันมีอาการสันทั้งตัวเป็นมาประมาณยี่สิบห้าปีแล้วได้รับการาบำบัดรักษาแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นแถมท่านยังเอายาที่หมอให้มาผสมกับเหล้าแล้วลรับทานอีก oh. อท่านเคยพยายามฆ่า ต, ตัวตายมาแล้วสองครั้ง โดยทันยากแก่ปวดหมดทั้งขวด <มา S 1> แล้วก็กรอกวายตามทั้งขวด <มา S 1> คือกะให้ตายได้เล่าแต่พ่อสามีได้ช่วยพาไปล้างท้องที่โรงพยาบาลได้ทันจึงยังมีชีวิตอยู่จกกนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ <มา S 1> ทําไมลูกจังเกิดในหมู่บ้านทําเหล้าเทือนครอบครัวก็ทํำเหล้าเทือนแต่วเมื่อลูกเกิดมาก็มีเหตุการณ์ที่พ่อกับแม่ต้องเลิกจากการทําเหล้าเทือนเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าคะ เพราะเหตุใดครอบครัวงลูกและชาวบ้านในหมู่บ้านจึงถูกพายุหนักน้ําท่วมและถูกโจปรปล้นถึงสองครั้งเกีเ่ยวกับกรรมต้มเหล่าเถือหรือเปล่าคะคุณพ่อคุณแม่ทำกรรมอะไรมาจึงเป็นโรคดังกล่าวต้องทําบุญอะไรจึงจะช่วยให้ท่านหายคุณแม่ของสามีของลูกทำกรรมอะไรมาถึงเป็นโรคพากินสันยังจะตั้งเป็นโรคนี้ไปอีกนานเท่าไหร่คะตอนนี้คุณยายของลูกท่านอยู่ที่ไหนท่านได้รับบุญทุกบุญที่ลูกเดี๋ยวบุญทิดไปให้ท่านหรือเปล่าคะ เพราะเฮดายลูกถึงถูกพันกับคุณยายมากและฝันเห็นท่าน บ, าบา่อยๆเอ้ามาฟังฝันในฝันกันฝันเป็นตุเป็นตะอ่าหลับแล้วฝันไปเชื่อก็ได้ไปเชื่อก็ได้สบายสบายฟังเพลินเพราะใครก็ใครกับฝันได้แต่เขาก็ไม่ยอมฝันกันนะชาติในอดีต เมื่อครั้งที่ลูกเกิดเป็นชายเนี่ยเคยประกอบอาชีพต้มเหลาขาย oh. ต่อมาก็รู้สึกเบื่อหน่ายและเห็นบาปบุญคุณโทษก็เลยเลิกต้มเหลาขาย <Okay. S 1> แล้วอธิษฐานจิตทุกครั้งที่ทำบุญว่าจะได้ไปต้มเหลาขายอีกเลย oh. ในชาติต่อไป <Okay. S 1> แต่กรรมที่เคยต้มเหลาขายก็นำมาเกิดในครอบครัวที่ต้มเหลาขายอีก จึงเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเลิกต้มเหล่าขายจ้ะ oh. เกิดเหตุการณ์ที่เกิดพายุฝนตกหนักน้ำท่วมอะไรต่าง <Yeah. S 1> เกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้เลิกคร <Yeah. S 1> อบครัวเลิกนะเฮ <Yeah. S 1> ้ที่หมู่บ้านถูกโจรสล่นสองครั้งและถูกพายุหนักน้ำท่วมเพราะคนในหมู่บ้านนะ่ะไม่มีศีล และต้มเหล่าเถื่อนขายพอถึงเวลาบาปก็จะบันดาลให้มีโจรพัยอุทกพัยเป็นต้นเกิดขึ้นเพราะสมบัติที่ได้มาโดยมีชอบจะเป็นสมบัติเจอวิบัตเป็นสมบัติร้อนเมื่อถึงขีถึงคราวความวิบัตจึงเกิดขึ้นนี่ก็เป็นโทษของมิจฉาอาชีวะแต่บางคนที่ยังประกอบมิจฉาอาชีวะอยู่และยังไม่มีผลวิบัตจันตาเห็นนั้น่ะ เ พ, เพราะยังมีบุญเก่าที่ทำเอาไว้เนะี่ยหล่อเลี้ยงอยู่เป็นบุญมหาทานที่ทำเอาไว้และอธิษฐานอย่างเดียวว่าขอให้รวยไม่ว่า จ, จะรวยด้วยวิธีการใดแต่ยามใดหมดบุญเก่าบาปก็จะส่งผลทบต้นอย่างรุนแรง ค, รคือถ้าบุญเก่ายังหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่มีผลเช่น บุญเก่าบางคนในชาตินี้เนะี่ยส่งผลตลอดชาตินี้จึงยังเห็นความรุ่งเรืองอยู่แม้จะประกอบมิจฉาอาชีวะแต่พบต่อไปก็จะลำบากมากเพราะบิบัติบาปศักิสิทธิจะส่งผลคือปัจจุบันบางคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนะี่ยยังร่ำรวยรุ่งเรืองอยู่ บุญเก่าเขายังดีอยู่รพระชาติในอดีตก็ชอบให้ทานทั้งนอกบุญญาเขตและในบุญญาเขตแต่ทำละการอธิษฐานจิตอย่างเดียวขอให้รวยรไม่ได้ปรารถนาให้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นบุญนี้บาปก็มีโอกาสได้ช่องที่จะช่วงชิงเอาไปให้รวยด้วยมิจฉาชีวะแต่ตอนนี้ บุญเก่ายังส่งผลอยู่จึงยังรวยแล้วเ็าจะรวยไปจนหมดอายุไหแต่ว่าพอพบต่อไปบาปทบต้นก็จะเกิดขึ้นอิตรงนี้แหละที่ทำให้คนไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญบาปเพราะว่าไม่รู้เรื่องเหตุเรื่องผลเห็นผลแต่ไม่เห็นเหตุที่ประกอ บ, รบหรือเห็นเหตุที่ประกอบแต่ว่าผลในปัจจุบันก็ยังไม่เห็นเพราะว่าอายุมนุษย์มันสั้น จนกว่าเมื่อไรทําลายความมืดในดวงใจให้มันหมดสิ้นไปได้แล้วก็ฝันได้ฝันเป็นนั่นแหละพ่อป่วยด้วยโรคลำไส้เพราะทาปานาฏิบัติฆ่าสัตว์ธรมาหารตามภาษาชาวบา้านแล้วก็ขายเหล่ารวมทั้งกรรมไก่ชนแต่บุญบวชพระยังคุ้มไว้จริงยังไม่ ส่งผลในตอนนี้นะคือบุญที่บวชพระตามประเพณนะีแม่ป่วยเป็นโรคลมออกหูเพราะเถียงยายคือแม่ของแม่เนะี่ยเมื่อยายสั่งสอนอะไรก็ทำเป็นไม่ได้ยินบางทีก็เถียงบ้านส่วนที่ตาเป็นต้อหนึ่งข้างนั้นนะ่ พราแม่น่ยไปเชียร์เขาเวลาเขาชนไก่แล้วก็เลี้ยงไก่ชนเอาไว้ชนจนมันตาบอดไปข้างหนึ่งรวมทั้งแม่นี่ยมัมีบุญบวชพระเพราะเป็นผู้ดอยโอกาสไม่ได้บวชไม่เหมือนพ่อพ่อทํากรรมอย่างนี้แต่ว่ากรรมยังไม่ส่งผลเพราะบุญบวชพระยังหล่อเลี้ยงอยู่แต่แม่ไม่ได้บวชพระบาปจึงส่งผลได้เร็วกว่าไอ้บุญบาปมันเป็นเรื่องซับซ้อนจริงๆเลยนะ กรรมนี้จะส่งผลก่อนแม่ไม่มีบุญบวชพระคุ้มไว้กรรมนี้จึงส่งผลก่อนส่วนที่หกล้มแขนซ้ายหักนั้นก็เพราะกรรมปานาติบาตที่ฆ่าสัตว์ทำอารรหารส่วนแม่สามีที่เป็นโรคพากินสันถึงยี่สิบห้าปีนั้นก็มีกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันกรรมในอดีตชอบโกหกเป็นพื้นฐานใจชอบโกหกคือได้โกหกแล้วสบายใจอย่างนั้น กับการปฏิบันที่ชอบดื่มสุราเบียร์วายเป็นประจำสองกรรมนี้จึงทำให้เป็นโลกนี้จะเป็นยนตายอะจะไม่หายหรอกจนตายคุณยายตายอยู่กือบสองปีตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิวานทองอยู่ชั้นดาวดึงและได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ท่านตอนนี้ท่านมีความสุขมาก เอที่ผูกพันกับยายมากเพราะคุณยายท่านเลี้ยงมาและได้รับการถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆจากคุณยายเช่นความใจบุญซึ่งแตกต่างจากพ่อแม่จึงผูกพันกับท่านมากทําให้ฝันถึงท่านบ่อยๆต้องให้พ่อกับแม่รักษาศีลห้าให้ได้ทุกวันและให้ทําทานปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาให้บมา ก, มากในบ้านปลายของชีวิตจิตใจและร่างกายก็จะดีขึ้นมาบ้างจ้ะ นี่ก็เป็นเคสตัศดีย่อยๆสำหรับคืนนี้